ศาลายตนะวักหมวดว่าด้วยอายตนะหกประการหนึ่งอนาถะปินทิโกวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาดแก่อนาถะปินทิกะขหบดีข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถะปินทิกะเศรษฐีเข ค, ครุงสาวัตถี สมัยนั้นแหลอนาถปิณิกะขะหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาถปิณิกะขะหบดีเรียบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญเจ้าจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระยุคนลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอนาตะบินิกะข้าพเดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่กราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราจงเรียนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอนาตบินิกะข้าพเดีป่วย ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกลาวและจงเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถปิณิกะข้าพดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านอนาถบินิกะขาบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านอนาถบินิกะขะบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ท่านขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล่าวและฝากมาเรียนว่าขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถบิณกะข้าพดีถึงนิเวศด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีท่านพระอานน์เป็นปัจฉาสมณนะ เข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถปินิกะข้หบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วได้ถามท่านอนาถปินิกะข้หบดีว่าขหะบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาของท่านทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านอนาถปิณิกะขหบดีตอบว่า ท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กแหลมคมทิ่มแทงศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงศีรษะของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้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 อาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏขอรับเปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีทท้องแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงท้องของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่งให้ร้อนบนหลุมฐานเพลิงแม้ฉันใดอาการเร่าร้อนในกายของกระผมก็มีมากอย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกันท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏ าการทุเลาไม่ปรากฏท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าขหาบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นจากขู่ตาและวิญญาณที่อาศัยจากขู่ของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโสตะหู และวิญญาณที่อาศัยโซตะของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นคานะจมูกและวิญญาณที่อาศัยคานะของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นชิวหาลิ้น และวิญญาณที่อาศัยชิวหาของเราก็จกไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกายร่างกายและวิญญาณที่อาศัยกายของเราก็จกไม่มีท่านพึงสำเนียออย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นมโนใจ และวิญญาณที่อาศัยโมโนของเราก็จกไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ข้าหาบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า เราจักไม่ยึดมั่นรูปและวิญญาณที่อาศัยรูปของเราก็จกไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า <Yes. S 1> เราจักไม่ยึดมั่นเสียงเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้ <boarding S 2> อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นกลิ่นเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นรสเพราะเหตุน <Unknown> ั้น ท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโพธิภพเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเหนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นธรรมรมและวิญญาณที่อาศัยธรรมรมของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเหนียกอย่างนี้ ข้าหาพอดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นจักขวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยจักขวิญญาณของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโสตะวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นคานาวิญญาณ เพราะเหตุน me, ั้นท่านพึงสำเนีกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นชิวหาวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนีกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นกายวิญญาณเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนีกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นมโนวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยมโนวิญญาณของเราก็จกไม่มีท่านพึงสำเนีกอย่างนี้ ข้าพเดีเพราะเหตุนั拜拜้นแลท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นจักขุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยจักขุสัมผัสของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นโสตะสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นคานะสัมผัส เพราะเหตุน okay? ั mm ้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นชิวหาสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นกายสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยมโนสัมผัสของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ ขหาบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสของเราก็จักไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากโซตะสัมผัส เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเพราะเหตุนั้น ท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสและวิญญาณที่อาศัยเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ ดีเพราะเหตุนั istas, <uma underway. S 1> years, ้นท่านพึงสำเนีกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นปัทวีธาตุและวิญญาณที่อาศัยปัวีธาตุของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนีกอย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนีกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจกไม่ยึดมั่นอาโปธาตุเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนีกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นเตโชธาตุ เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นวายโยธาดเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นอากาสะธาดเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นวิญญาณธาดและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณธาดของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่านงนี้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 เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นสังขารเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นวิญญาณและวิญญาณที่อาศัยวิญญาณของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ ขหาบดีเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นอาการสารนัญจายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยอาการสารนัญจายตนะฌานของเราก็จกไม่มีท่านพึงสำเนียออย่างนี้เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นวิญญาณนัญจายตนะฌาน เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นอากินจัญญายตนะฌานเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและวิญญาณที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน e. ของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้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 เพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าอารมณ์ใดที่เราเห็นฟังทราบรู้แจ้งแสวงหาได้พิจารณาแล้วด้วยใจเราจะไม่ยึดมั่นอารมณ์แม้นั้นและวิญญาณที่อาศัยอารมณ์นั้นของเราก็จะไม่มีท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ ท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วอนาถปิเนิกะขะหบดีได้ร้องไห้น้ําตาไหลครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้ถามท่านอนาถปิเนิกะขะหบดีว่าขะหบดีท่านยังยึดติดอยู่หรืออนาถปิเนิกะขะหบดีตอบว่าท่านอานนท์ผู้เจริญกระผมไม่ได้ยึดติด แต่กระผมได้นั่งใกล้พระศาสดาและหมู่ภิกษุที่น่าเจริญใจมานานแล้วกระผมไม่เคยได้สดัตย์ทเมีคาถาเห็นปานนี้เลยข้าพดีทํ้ามีคาถาเห็นปานนี้ไม่แจมแจ้งแกครรคผู้นุ่งขาวห่วมขาวแต่แจมแจ้งแกบรรพชิตทั้งหลายท่านพระสารีบุตรผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอทามีคาถาเห็นปานนี้ จงแจมแจ้งแก่ครหัผู้นุ่งขาวห่มขาวบ้างเถิดเพราะกุลบุตรผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยก็มีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมพวกเขาจึงเสื่อมและเป็นผู้ไม่รู้ธรรมครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ได้โอวาทอนาทบิณกะข้าบดีด้วยโอวาดนี้ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไป เมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์จากไปแล้วไม่นานอนาถปิณิกะขหาปฎีก็ได้ทำกาละปุริยาแล้วไปเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตรครั้งนั้นอนาถปิณิกะเทพประบุตรมีวันณงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านพ้นไปทำพระเชตวันทั้งหมดให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควร เรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาเหล่านี้ว่าก็พระเชตวันนี้มีหมู่ฤาษีพรรมนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตอันสูงสุดหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดหรือทรย์ไหม เพราะเหตุนั้นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคลายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นเช่นนี้ย่อมหมดจดในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งด้วยปัญญาศีลและความสงบอนาถปิณิกะเทพบุตรเรียกราบทูลดังนี้แล้วพระาศาสดาทรงพอพระทยัยลำดับนั้น อนนาถปินทิกะเทพบุตรรู้ว่าพระศาสดาทรงพอพระทยัยจึงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองครั้งนั้นเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้ว พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เทพบุตรองค์หนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านพ้นไปทําพระเชตวันทั้งหมดให้สว่างเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหวเราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับเราด้วยคะถาเหล่านี้ว่าก็พระเชตวันนี้มีหมู่เรศีพำนักอยู่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 ย่อมหมดจดในธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าภิกษุผู้ถึงฟังด้วยปัญญาศีลและความสงบภิกษุทั้งหลายเทพบุตรนั้นเด่ากล่าวดังนี้แล้วรู้ว่าพระาศาสดาทรงพอพระทัยเราจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั่นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอาณนลเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทพบุตรนั้นจะเป็นอนาถบิณิกะเทพบุตรแน่เพราะอนาถบิณิกะข้าบดีเลื่อมใสแล้วในท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละอานน์เรื่องที่เธอคาดคะเนนั้นเธอลำดับเรื่องถูกแล้วเทพบุตรนั้นคือ อนาถปิณิกะเทพบุตรมิใช่ใครอื่นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอนาถปิณิโกวาทสูตรที่หนึ่งจบ 2. ฉชั้นโนวาทสูตรวาด้วยการให้โอวาดแก่พระช น, นะข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขกรุงราชครืสมัยนั้นแหลท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาจุนทะและท่านพระช น, นะอยู่ที่ภูเขาคิจกูด สมัยนั้นท่านพระช น, นะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระมหาจุนทะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่ามาเถอดท่านจุนทะพวกเราเข้าไปถามอาการอาพาธของท่านพระช น, นะกันเถิดท่านพระมหาจุนทะรับคําแล้ว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 ทุคเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านสารีบุตรกระผมจักนำศาสตรามากระผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ท่านช น, นะอย่านำศาสตรามาท่านจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิดพวกเราต้องการให้ท่านรักษาตัวอยู่ต่อไป ถ้าท่านฉ Gloria, ma public, ันนะไม่มีโภชนะที่เป็นสปายะผมจกแสวงหามาให้ถ้าท่านันะไม่มีเพสั์ที่เป็นสัปายะผมก็จกแสวงหามาให้ถ้าท่านฉ eline, ma ka ka, ma ันนะไม่มีพวกอุปถาคผู้เหมาะสมผมจกอุปถากเองท่านฉันนะอย่านำศาสตรามาเลยขอท่านฉันนะจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิดพวกเราต้องการให้ท่านฉนนะรักษาตัวอยู่ต่อไป ท่านสารีบุตรโภชนะที่เป็นส ป, ปายะของกระผมไม่ใช่ไม่มีเพสัช ท, ที่เป็นส ป, ปายะของกระผมไม่ใช่ไม่มีอุปถากที่เหมาะสมของกระผมไม่ใช่ไม่มีอีกประการหนึ่งกระผมก็ปรนิบัติพระาศาสดาด้วยความเต็มใจมาตลอดทีเดียวไม่ใช่ปรนิบัติด้วยความไม่เต็มใจขอท่านสารีบุตรโปรดจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เถิดว่า ข้อที่พระสาวกปรนิบัติพระศาสดาด้วยความเต็มใจไม่ใช่ปรนิบัติด้วยความไม่เต็มใจนี้เป็นการสมควรแก่พระสาวกชันนภิกษุจักนำศาสตรามาจึงไม่ควรถูกติเตียนพวกเราขอถามปัญหาบางข้อกับท่านชันนะถ้าท่านชันนะจะให้โอกาสตอบปัญหาท่านสารีบุตรนิมนต์ถามมาเถิดผมฟังแล้วจักตอบให้รู้ ท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นจักขุจักขุวิญญาณและทำที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะโสตะวิญญาณพิจารณาเห็นคาณนะคาณะวิญญาณพิจารณาเห็นชิวหาชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นกายกายวิญญาณ พิจารณาเห็นมโนมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือท่านสารีบุตรประผมพิจารณาเห็นจักขุจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะ โสตวิญญาณพิจารณาเห็นคานะคานวิญญาณพิจารณาเห็นชิวหาชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นกายกายะวิญญาณพิจารณาเห็นมโนมโนวิญญาณและทมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นอะไร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 ในขานวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู ling, ้อะไรในชิวหาในชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในกายในกายวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในมโนในมโนวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณจึงพิจารณาเห็นมโนมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่า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 พิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในโสตะในโสตะวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในคานะในคานวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในชิวหาในชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในกายในกายยะวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในมโนในมโนวิญญาณ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 ท่านชันนะได้นำศาสตรามาท่านมีคติเป็นอย่างไรมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตระตอบว่าสารีบุตรชันนะภิกษุได้บอกว่าจะไม่ถูกติเตียนไว้ต่อหน้าเธอแล้วมิใช่หรือข่าแต่พระองค์ผู้เจริญมีหมู่บ้านชาววัชีชื่อปุพภชิระในหมู่บ้านนั้นตระกูลที่เป็นมิตร ตรูลที่เป็นสหายเป็นตระกูลที่ท่านช น, นะเข้าไปอาศัยก็มีอยู่สารีบุตรตรูลที่เป็นมิตรตรูลที่เป็นสหายเหล่านั้นเป็นตรกูลที่ช น, นะภิกษุเข้าไปอาศัยมีอยู่แต่เราไม่กล่าวว่าช น, นะภิกษุมีตระกูลที่ตนพึงเข้าไปอาศัยด้วยเหตุเพียงเท่านี้เธอจงจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เถิดว่า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 ชั้นโนวาทสูตรที่สองจบ 3. ปุนโนวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระปุณ น, นะเขาพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 ขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทข้าพระองค์ด้วยพระโอวาทโดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุญณนะถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระปุณณนะทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุณณะรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่เมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิด ทุกจึงเกิดเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐะที่พึงรู้แจ้งทางกายธ ร, รมมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุยังเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมารมนั้นอยู่ เมื่อเธอเพลิดเพลินเชยชมยึดติดธรรมรมนั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกจึงเกิดรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นอยู่ เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดรูปนั้นความเพลิดเพลินย่อมดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับทุกจึงดับเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐทัพะที่พึงรู้แจ้งทางกายธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รัก ชักให้ใครพาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดธรรมารมณ์นั้นอยู่เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินย่อมดับเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับทุกจึงดับปุญ น, นะเราโอวาทเธอด้วยโอวาทโดยย่อนี้เธอจะอยู่ในชนบทไหน ท่านพระบุญนะกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคโอวาทข้าพระองค์ด้วยพระโอวาทโ ด, ดยย่อ น, นี้แล้วข้าพระองค์จกอยู่ในช น, นบทชื่อสุนาปรันตะ